<咳>大家今晚呢個嘅呢個講題咧，就會用一個講講話嚟關聯。首先咧，大家介紹一位師傅啊，吳光滿師。吳光滿師究竟會來自泰國東北部，東北部係靠近佢越南地方，越南地方嚟。因為我我冇聽呢個話題，係有咁多時間。 佢嘅名叫做《花貪教》，貪教意思咧係個烏龜嘅山，烏龜嘅山道貪教。師傅本身係跟住出家之後咧，佢就誒開始接接莊客，之後咧遇到誒呢個時代泰國僧人係最受欺騙嘅師傅。 เป็นเวลาที่เป็นสิริเป็นมงคลนะเนื่องจากว่าได้ถาม ที่นางกลับไปนั่งเครื่องที่ที่นางกลับ เป็นคราวก่อนแต่คราวนี้มีโอกาสได้พุทธรรมณตรงนี้ซึ่งเป็นสถานที่ที่เป็นธรรมชาติเหมาะสมสำหรับพวกเรามาใช้สอยเกิดประโยชน์ตามที่พระพุทิเจ้าระสงค์ปราบเป็นถ้าเป็นเนื้อเป็นฝาเป็นที่อยู่ของพระพุทธสงฆ์เป็นที่สงบเป็นที่เยือกเย็น นิมนต์จากพวกเราทั้งหลายอตที่เป็นผู้หนูกระหายเกี่ยวกับเรื่องอ่านเรื่องธรรมเกิดได้ควา ม, า ม, ามขนำ ม, ม, มาจากเมืงไทยมีธรรมข้าพวัด ต, ตัางเต่าและอาจารย์ จ, รจมระยันธาโชโตอยู่เป็นเจ้าวาดอยู่วัดหลังสาลจาังหวัดปุตเตศมาเพื่อบอกช่วยบอกอัดบอกธรรมด้วยแล้วก็บลูกศิษย์ที่เป็นพระอีกสอง แล้ก็คราวาหนึ่งสองสามกับไม่ชีที่มาเป็นกันแล้วก็มาโมากอนก็ไปทับที่ที่นางที่สมัครกมอะไรรู้จักไม่ได้กัูธรรมาไปยกหนึ่งเช้ามีพบาทชันฉันฉันฉันเจอแล้วว่ามานี่มาตั้งแต่ใบยนึ่งใบสองใบสามค ทผู้อมานจะด้รับความสุขเล่นเรเรียนามใเรื่อ มากๆเพรานั้นเลย2ี่สิาษาขึ้นไปส0บภษาขึ้นไปทั้งนั้นมีพระพุทธรูปไม่กี่องค์สองสองค์สมองค์นอกนั้นี้มีพระเทราชยี่สสขึ้นไปอาจรมภาพ่มีก็สามเาเป็นมหานิกายเจและอาจารย์จำรัตนก็38มรรปภษา ก่เป็นไปธรรมยุทธ์เนี่ยเราก็เห็นเมื่อเห็นว่ามีครูบ า, าอาจารย์เพื่อนมามากแล้วก็เป็นจังหวะเวลาที่เหมาะเป็นเวลาที่พวกเรามารวมกันก่อนฝันเทศก็ควรจะมีการทำปัจจุบั น, นซึ่งเป็นธรรมเนียมของพวกเราต้องนนะชี้แนะทีอ่อวรเรื่องอะไร พี่ตู่ ย่าไม่เคยทรงตรัสว่าสิ่งที่เป็นมงคลนอกเหนือไปจากกิริยาการกระทําเราดูมงคล38มนะมงคล3ามสิบอย่างมงคลสอข้อที่กล่าวเมื่อกี้เนี่ยการฟังทำเป็นอุดมมมงคลการสนทนาทำซึ่งการพิการเป็นอุดมมงคลสิ่ ง, งเหล่านี้แหละเป็นมงคลคําว่ามงคลเป็นเกี่ยงใ้ความเจริญ คำว่าเจริญในชนี้หมายถึงว่าเจริญด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจมันเป็นกิริยาที่เรามากับคุณด้วยกายเป็นให้เจริญคืองามกิริยาวาจากงามกิริยาทางใจก็งามท่านจึงเรียกว่าเป็นบุมงคลมกาแ่อของที่รช่ในน้่ ที่ห้าร้อยกวนาเมษายน มงคลที่พระพุทธเจ้าท่านทรงสแสดง38ประการมงคล38ประการที่พระพุทธเจ้าให้พวกเราศึกษาแล้วนำมา พ, พุปฏิบัติตามเป็นรวมมงคลข้อแรกอเศวนาจะบาลานั่นการไม่พบคนผ่านปัญญามันจะเซวนาคบแต่พันฑิบุตรเป็นจริเป็นมงคลปูชาจะเอวชนิยานั่นเอตัมมังอภูตัมมัง บูชาเปรนคนดควรบูชาเป็นรมงมงคลนี่คือความเป็นมงคลพุกที่เจ้าเาไม่เคยทรงกรัสว่า ส, สิ่งนี้เป็นมงคลสิ่งนี้เป็นมงคลแต่ทรงชี้มาที่พฤติกรรมของคนพฤติกรรมคือการกระทาด้วยกายกรรมของเราด้วยจีกรรมของเราด้วยมโนกรรมของเราถ้าเราทาถูกต้องตามสมสิบประการที่พระองค์ทรงตรัสไปแล้ว มีความเจริญเป็นสริริเป็นมงคลแน่น อ, อนว่าต่อหร่ออุโบก วามเป็นองคลทั้งนั้นเพราะฉะนั้นพวกเรางตั้งตั้งใจมากประกอบในสิ่งที่จะทำให้เกิดความสุขเกิดความเจริญในหัวใจของเราเหมือนอย่างที่เรารมีความพร้อมอยู่ณเวลานี้ตอนนี้เราหนึ่งชุดหน้าใหญาให้ติดได้เลยวันนี้มเคยกองพ่งห้ังไปถึมาทาลัยหวังว่าจะได้เ เรื่องวัตถุมงคลทั้งหลายทั้งปวงเราไม่ปฏิเสธเช่นอย่างรูปเหรียญของครูบาอาจารย์ได้กุงแขนได้สีผขาวได้สีแดงเราก็ไม่ปฏิเสธ สิ่งที่เป็นวัตถุที่เป็นมงคลสิ่งที่เป็นวัตถุซึ่งเป็นร่องรอยของความเป็นสริริเป็นมงคลมีสิ่งเดียวสิ่งนั้นคือพระบรมสารีริกธาตุคือเป็นพระ่าตของพระพุทธเจ้าเพราะพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้ า, บบ า, า, จานะั้นเป็นประจักษ์พยานว่าพระไทยของพระพุทธเจ้าบริสุทธิ์หมดจดจากเกลียดโดยชิ้นเชิง แล้วพระธาตุของพระอารานุทั้งหลายพระธาตุของครูบาอาจารย์ของเราครูเสาครูมั่นอย่างนี้เป็นต้นสิ่งนี้เป็นเป็นวัตถุมงคลโดยหลักธรรมชาติแต่อย่างอื่นเป็นสิ่งที่เศษเอาทั้งนั้นจะอย่างเป็นรูปเป็นเหรียญเป็นโลหะเป็นอะไรอะไรอย่างนี้แต่เราก็ไม่ปฏิเสธความเป็นสิริเป็นมงคลแต่ความเป็นสิริเป็นมงคลของสิ่งเหล่านี้ เหมือนกับเป็นสื่อผระสูบหัวใจไม่ใช่มีข้อปฏิบัติกับโดยตรงเหมือนอย่างที่พุทธเจ้าทศสงกรัฐมงคลสาประการเอาไว้จำได้ป่ะวันนี้เราเชื่อหรือว่าจไดีอะไรเนี่ยหลายคนจะคอดถางต้นท้ายหรือว่าการรักาความปลอดภัย 我冇否認呢啲嘢，我話呢啲嘢係啱嘅，我話啲嘢唔好，呢啲嘢全部都係一個材料，但係呢 มีความกลัวเป็นพื้นเมื่อมีความกลัวเกิดขึ้นในหัวใจเราก็หวังจะยึดสิ่งนู้นเป็นท at <esen S 2> ี่พึ่งยึดสิ่งนี้เป็นที่พึ่งยึดต้นไม้ยึดภูเขายืดไปยึดไปยึดไปเลยกลายเป็นมีวัตถุมงคลวัตถุมงคลดังดังกล่าวเป็นรูปเป็นเหรียญเป็นของขลังเป็นกระตุกอะไรต่ออะไรทั้งหลายทั้งปวงนั่นแหละเป็นรู้ที่ทําขึ้นมาเพื่อให้เป็นที่พึ่งตกด้านหิบใจแต่ที่พ <Veget> ึ่งเหล่านี้ บางทีก็ลุกลามไปถึงพึ่งต้นไม้พึ่งภูเขาพึ่งจอมปลวกพึ่งพระทิพพึ่งพระจนันทร์นี่คือกลกลัวพราะกลัวขึ้นมาแล้วก็หาที่ยึดหาที่เกาะแต่การพึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่ประเสริฐเลยการขึ้นพระพุทธเจา้าพระธรรมพระสงฆ์นั้นประเสริฐที่สุดเพราะทําให้เราพ้นจากทุกตะทวงได้เด็ดขาดได้ผมเดินไปอีกคนหนึ่ง 或者有個重生，可以可以透過本上嘅呢啊，呢種嘢固然有人聽到恐懼到，但係有種我哋一種恐懼，聽呢個呢啲嘢又聽，嗰個人聽，所以咧人先會去揾嘢嚟遮怕， ¿verdad? พระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์เป็นที่พึ่งและกับ้นทุกข์ได้จริงเพราะฉะนั้นเราจึงนกล่าวว่าชิงตื่นะะพึ่งได้อยู่แต่กับพนพนทุกข์ไม่ได้แต่การที่มาตั้งใจเอาพระพรุทธเจ้าพระธรรมประสงค์เป็นที่พึ่งทางใจย่อมสามารถทำให้พนจากทุกทั้งปวงได้เพราะการพึ่งพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์ทางด้านจิตใจนั้นจะต้อง จะต้องทำเหีจะต้องประกอบเีตจะต้องศึกษาสิ่งที่ถูกต้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งดังที่พระองค์ทรงตรามงคลสามสแปดประการที่พระองค์ทรงกลั่นกรองมาแล้วว่าสิ่งนี้แหละเป็นเหตุแห่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริงชั่นที่เย็นไ ม, ม, ไ ม, ม, ไ ม, มตน่ต้องหาไม่ล้ ย, ยิ่งตายม่้อ่รเาแต่ลียที่นี่ทั้งดก็้ยิงด 生命比較痛苦，只要只要有揾個三寶，嗱，我哋先可以解斷，啊，解除一切痛苦。點解咧？因為喺佛教入面，當你相信一三寶之後，你仲要去學佛，要去聽聞佛法，學習佛法之後咧，自己去修行，通過修行。 พระพุทธเจ้การรกระชงนรรมพระธรรมเป็นคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพระสงฆ์เป็นผู้ตั้งใจใปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพออระพุทธเจ้าและก็สื่อทอดพระพุทธศาสนาสื่อทอดมาจนถึงพวกเรารุ่นรุ่นรุ่นหลานรุ่นเห็น ม, มาจนทุกวันนี้ตัดเรื่องนี้ติดต่อการ ฟองในองค์佛法เนี่ยเปลี่ยนสัตว์ปีติของหลวงกาลมาใช้มาโดทยศนี่ก็จริงเรี่ยตั้งแต่พระพุทธเจ้าก็ทํ่งระสงค์มาประกาศที่ใจแม้แต่การธรรมะสวดมนต์ที่เราทำจบลงไปแล้วเราก็ เอากิริยาของกายของเรามากราพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นเหตุให้กิริยากายของเรางามกิริยาวาจาเราก็เอามาสวดรู้บทส่วนที่ท่านมีจดจาริคไว้ให้เราสวดเป็นการสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นเหตุให้กิริยาวาจาของเรางามทั้งกิริยากายงามกิริยาวาจา ก็กกมีการปล่อกเราไปสู่หัวใจของเราเพื่อเกลี้ยนให้ใจของเราทงานจะได้เป็นพ ร, ระนิจ้าของธรรมสมค์คือเป็นที่พึ่งอันอุดมเมืองมงคลประกอบด้วยกิริยาที่เราประพฤติปฏิบัติอย่างนี้ในเมื่อเราประกอบเหตุอย่างนี้ผลทั้งหลายทั้งปวงก็จะตามมาเห็นไหมความงานที่กายที่วาจาและที่ใจ 我哋就係要通過呢個參數咧嚟嚟，修復人生，就好似正話頭先咧講嘅。 ไปได้ยินได้ฟังได้รับคํำบอกคาสอนจากใครแต่ก็ต้องอาศัยบุญญาบารมีที่โปร่งสมก็เป็นมาแปดหมื่นอ่าสอสงไขยกําไรแสนกัาแปดอสงไขยกําไรแสนกัาสิบหกอสงไขยกําไรแสนกัาการสร้างบารมีเพื่อเพื่อใน้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเพื่อที่จะเข้ามารู้เข้ามาชำระสิ่งที่สกปรกหรือวุตย์ใหญ่ให้หมดจด คือกิเลสฉันก็ให้หมดจดจากจิตใจเพื่อให้จิตใจหมดจดจากกิเลสท้งหลายลำนั้นเมื่อกิเลสหมดจดจากหนวใจเมื่อเหตุที่กิเลสมันเป็นเหตุให้เราท้กหลายได้รับความทุกข์มันแย่ต่อมาให้เราแสดงกิเลสทางกายนำผลมาคือความทุกข์แสดงให้เราให้เราแสดงกิริยาทางวาจานำผลมาคือความทุกข์เนื่องจากว่ากิเลส ให้เราทําตามความอยากไม่ได้ใช้สติไม่ได้ใช้ปัญญาไม่ได้ใช้การใค้ยควรเพราะฉะนั้นกิริยากายกรรมไม่ดีกรบ ม, มโนกรรมสำหรับผู้ที่ศึกษาพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าแล้วจึงได้เปรียบผู้ที่ไม่ได้ยินได้ฟังไม่ได้ศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วมักจะเสื่อเปรียบเพราะมันจะเป็นพฤติกรรมหรือกิริยาที่กิเลสมโยงแย่หรื อ, รร อ, อหัวใจ ให้เราสเสด็จขึ้นกการตามมันผลด้วยความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงกว็าตามมาแบบนี้ก่อนตั้งใจให้ก่อนี ที่ใจรับออกมาทางกายอย่างการไม่มีการด้วยสแสดงความโลภความโกรธความอิจฉาริษยาพยาบาทความโลภความโกรธความอิจฉาริษยาพยาบาททั้งหลายทั้งัวงเหล่านี้เป็นเหตุทําให้จิตใจเราเศร้าหอนําความทุกข์มาทับกดมวยใหญ่ของเราเราย้อนไปดูแล้วก็เป็นเหตุก่อเกิดแห่งทบแห่งชาติทั้งหลายทั้งสวงไม่จบไม่สิน้น เพราะฉะนั้นการที่เรามาเกี่ยวข้องเกี่ยวกั บ, กกบพระพุทธเจ้าและธรรมประสงค์เพื่อต้องการจะมาศึกษาสิ่งเหล่านี้ให้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจและพยายามตั้งใจจะกประตุติปฏิบัติเพื่อกํจาจัดให้กิริยาแห่งความโลภในหัวใจของเราความโกรธราคะกันหาในหัวใจของเราหมนไปเบาบาไปในที่สุดเพื่อเกิดความหมดจดให้จิตของเราสมบนนูรณ์เหมือนอย่างพระพุทธเจ้าอย่างพระสงฆ์สาวก พ, พระอริยะสาวก 大家都唔相信話喺我哋嘅生活入面咧都係比較難度。咁我哋嘅難度就係咧呢個咁卡卡呢個。 呢份工就係令到我哋一直亂鬢，一直生事不斷咁嘅原因。所以我哋而家嚟學佛嚟皈依三寶嘅原因，就係我哋學習呢道理。學開之後咧，就跟住佛所講嘅佛法去修行，以減少。 คือกิเตัวกิเลสก็คือตัณหาโดยหลักๆ ก, ก็คือความโลภความโกรธราคะตัณหาในหัวใจของเรานเองแสดงคิดสงเป็นกิริยาเป็นปฏิกิริยามากมาย ท, ท่านทรงเรียกว่ากิเลสทันหา้าตัห า, หาร้อยแปซึ่งมีมากมายแล้วแต่จะแสดงคิดสงเอาหมายปรากฏกับเราอันนี้ท่าเราตั้งใจศึกษาธรรมะ เราพยายามน้อมมาเราจะเห็นว่าตัณหาในหัวใจของเราแหละค็อตัวกิเลสที่ตัวกิเลสคือ ต, ตัวตัณหาตัณหาแปลว่าความอยากความยืดหยุ น, นความเฉยอม ย, อยอของใจเราดูปฏิกิรใจของเราในขณะที่เรานั่งขณะนี้เดี๋ยวนี้เราดูปฏิกิริยาของเราถ้าเราพยายามสังเกตสังการเราจะเห็นความอยากในหัวใจของเรามันดีมันอิมน ทำไม้ราหนกอยานั้นหนุกอย่าง น, น, น, งางนี้คิดจะทำอย่างนั้นคิดจะทำอย่างนี้คิดอยากอิจระเสียนี่แหละคือพลังอำนาจของต่าหาก น, น้าจะทงไนก้ท่าอากทราอย ืเวิสัยของพระพุทธเจ้านั้นต้องฝนไหยเอาเองเพราะฉะนั้นจึงต้องสร้างบารมีมากมายมหาศาลแต่วิสัยภกษาพวกนั้นเป็นผู้ที่จะต้องได้ยินได้ฟั่งจากผู้อื่นเช่นอย่าได้ยินได้ฝั่งจากพระพุทธเจ้า เช่นอย่างพระอัญญาโูนธรรมญาเนี่ยเป็นสาวกองแรกได้ฟังธรรมะจากพระพุทธเจา้าเนื่องจากพระพุทธเจา้าท่านค้นคว้ า, าด้วยโระองค์เเป็นเหตุให้พระองค์เนี่ยชำระกิเลสซึ่งมีมากมายมหาศาลในหัวใจของเราเนี่ยให้หมดให้หมดไปจากนหัวใจแล้วเอาธรรมะเหล่านั้นมาสอนลูกศิษย์มาสอนสาวกทําให้สาวกพิจารณาและได้คำมุขธรรมตามไปด้วย 但係佢本身係需要自己去修，去自己去發現呢個道理，呢個修學方法。佢所以佢需需要用好長嘅時間。但係咧，如果真係佛弟子啊，學習嘅呢個學生的話咧，我哋就唔需要好似佛咁樣，我哋嚟跟住佛所講嘅嘢。 ทั้นสอนให้เรากำจัดกิเลสหลักใหญ่ๆที่ท่านให้เราทุกหลักต้อปฏิบัติเพื่อกําจัดกิเลสก็คือเริ่มไอยตั้งแต่การให้ทานเป็นการกำจัดความความตรมีในหัวใจของเราความตรมีความเหนียวแน่นความยึดมั่นหรือมั่นว่าเป็นของของเราคือการให้ทานจากนั้นการให้ ทั้รักษาสิ่งขยับเข้ามาที่กายกรรมของเราวัจีกรรมของเราเพราะว่ากิเลสสามารถยุ่ยแย่กายกรรมของเราไม่แสดงกิริยายัางไงก็ได้วัจีกรรมของเราให้แสดงกิริยายัางไงก็ได้เช่นอย่างมาฆ่าสัตรูมาลักทรัพย์ไม่มาประพฤติผิดในกาลมาพูดเท็จพูดยา พ, ดสสพูดเสียดพูดเบื่อแล้วแบบมือสุราเมรยัยพระพุทธเจ้าท่านสินส้นทงให้ให้รักษาสิลงเพราะฉะนั้นเรา เราจะเห็นว่ามีศีลห้าสำหรับชาวบ้านทั่วไปที่เรียกว่าปัญจศีลคือศีลห้าขยับ ส, ส, ยสมัยอีกศีลแปขยับเข้ า, า, ม, ม, นนามาอีกศีลของสมัยศีลสิบขยับมาอีกศีลของพระสงฆ์227สิบขาบุแต่ละข้อแต่ละข้อนีอ้ท่านทรงบัญญัติเพื่อมากำกับกิริยากายให้ใกายกิริยากายกรรมของเราสวยงามกิริยาวาจาวิจีกรรมเราสวยงาม จะเป็นให้กิจกรรมของเราบที่สุดว่ากิจกรรมของเราบที่สุดสองีของีเปคนเชยึดอ่สำคคือวิธีแรกคือการเรียน 早夜幫你，早夜俾師傅，甚至係早夜同埋嗰啲全部，呢啲全部咧都係屬於佈師嘅行為，去幫需要幫嘅為點解要需要佈師咧？因為呢個佈師可以 ที่ กิริยาก ย, ยาของกิเลสที่แสดงออกมาทางกายกรรมทางวัติกรรมของเราเมื่อเราองกัดกิริยากายกรรมวัีิกรรมด้วยสิ่กิเลสออกมาแสดงกิริยาทางกายกรรมไม่ได้ทางวัติกรรมไม่ได้กิเลสก็แสดงกิริยาทางมโนกรรมคือจิตใจของเราเพราะฉะนั้นพระเจ้าท่านจึงส่งให้พวกเราเ แล้วยินดีผลึกเข้ามา ย, ายินร้ายผลักออกไปเพราะฉะนั้นอันนี้จินกินเป็นเหตุเป็นต้นต่อที่จะเป็นเหตุลุกตามใหญ่โตไปถึงอย่างอื่นก่เลแสดงกิริยาทางกายการมไม่ได้แลนที่กลับไม่ได้เอาสีมากากับก่เลสและดิ้นยิ้มในหัวใจพระองค์จึงให้ภาวนาที่ใจการภาวนาที่ใจมันเป็นการระงับกิเลสไม่ให้แสดงกิริยาที่ใจของเรา ั้รให้ปฏิบัติวิธีหนึ่งก็คือให้จิตสงบวิธีที่สองให้พิจารณาให้เกิดความรู้ปวดความเห็นเพื่อให้รู้เท่าทันความรุ่มของที่มันยุ่ยใหญ่กินของเราใหุ้่มกลงเพราะฉะนั้นการตั้งใจภาวนาสําผัสภาวนาวิปัสสนาภาวนาจึงมีเหตุผลมากตรงนี้เองเป็นเหตุผลว่าเอางานเหล่านี้มากํากับที่ใจของเรามากํากับทําไมมากากับ เพื่อร่างกิริยาของกิเลสที่มันแสดงออกมาทางใจกิเลสแสดงกิริยาออกมาทากหน้าในใจิตใจซึ่งเป็นเหตุเป็นต้นต่อพอมันแสดงเต็มที่มันก็จะถลักออกมาทางทางกายมันจะถลักออกมาทางวาจามาแสดงกิริยาตามหน้าของมันทางกา ย, ยกรรมมาแสดงกิริยาวิจิกรรมตามหน้าของมันเมื่อเราดับกิริยาไม่ออกไม่ให้มันออกมา ส่วนภายนอกได้มันแสดงในภายในเราตามไประงับข้างในกิเลสทาให้จิตของเราไม่สงบไม่นิ่งพาจิตของเราดีวิ่งอยู่ทุกระยะทุกเวลาแต่ถ้าหากเราตั้งใจภาวนาทําให้จิตของเราได้รับความสงบที่จะเรียกว่าสมถกรรมฐานจิตก็จะเริ่มสงบจิตจะเริ่มสงบต่อเมื่อเราเอาอารมณ์ไปกํากับที่จิตเช่นอย่างเราจะภาวนาว่าพุโทโธพุโทโธพุโทโธ มีสติกำกับซึ่งช่วงตลอดไม่ปล่อยเกิดช่องว่างทําให้จิตนึกอยู่กับสิ่งเดียวกับเรื่องเดียวนึก่าพุทธโธพุทธโธคาพุทโธจึงเป็นอารมณ์ธรรมเป็นอาหารของใจไม่ใช่อาหารของกิเลสมันเป็นอาหารของธรรมไม่ใช่อาหารของกิเลสเมื่อเราทําไปมากน้อยเท่าไหร่จิตของเราที่เคยตินลิ้นเพราะกิเลสเราไปใช้พอเราดึงให้เขาเด่นชัดอยู่กับอารมณ์เดียวพุทโธ จิตก็จะเริ่มสงบอยู่กับอารมณ์เดียวพุทโธพุทโธพุทโธจิตจะสงบอยู่กับอารมณ์เดียวคำว่าพุทโธพุทโธอยู่นานเท่าไหร่ก็ให้เขาอยู่นานไปเท่านั้นแหะจนกว่าเขาจะเออเขาจะกินเขาจะลดเขาจะละเขาจะวางอารมณ์คำว่าพุทโธแล้วก็พิจารณาอยู่อยแบบนี้ภาวนาอยู่แบบนี้อย่างต่อเนื่องไปเพื่อเราความสงบจากนั้นแล้วก็ท่านจะเอาิที่สงบมาพิาาจารณาทางด้านปัญญา ซึ่งรื่อวิปัสสนาหรือทีระาภาวนาปัญญาเนี่ยเพราะฉะนั้นศีลสมาธิปัญญาจึงเป็นจึงเป็นสายงานที่มาทำกับกายวาจาใจของเราเพื่อปราม เ, เพื่อปราเพื่อปราเพื่อกาจัดเิเลสในหัวใจของเราคแ่นี้ก่นอนง 通過呢個心、理<嗯>、同埋口嚟表現。咁當我哋有呢個戒之後咧，呢個煩惱就俾呢個戒控制住。佢想殺，佢唔想殺，就出唔到嚟。呢個煩惱就會放手。咁你通過呢個戒守住佢心，就守住佢心，同埋守住佢個口之後咧，咁呢個煩惱就會冇辦法喺呢心 มีอยู่มาก e สงบจิตของเราไม่สงบก็คือกิเลสในใจของเราแหละมันทําให้จิตของเราไม่ได้ ร, ถรถับความสงบทำไมจิงไม่สงบสมมติเราตัง้งใจจะภาวนาพุทธโธพุทธโธพุทโธแต่เราล ok ืมธรรมะเบาลืมกํกมมกากับด้วยสติ อ, อ, ย อ, อ, อ, ย อ, อย่างแน่นหนมักนเพราะสติจางจายืดยืดจางจางยืดยืดหยนหย่อนยันยานสนย ความรู้สึกก็ยานใดกิเลสก็ จ, จะมาสวมรอเอาไปนึกเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกิ่นเรื่องรสเรื่องสัมผัสเอาไปนึกเรื่องปัญหาสัมภัสที่มันยังคล่องไขในหัวใจของเรานึกไปนึกไปนึกอย่างใดอย่างหนึ่งนึกไปนึกไปจนมานเกิดราคะเกิดโทสะเกิดความโกรธเกิด อ, อิจฉาเกิดริษยาเกิดพยาบาทอยางนี้อาไปดูต่อไปนี้เราทัให้จิตของเราได้รับความสงบ คือมันเอาจิตของเราไปใช้นึกไปในทางเสียไม่ได้นึกแต่ในสิ่งที่เดินรางนึกไปนึกไปนึกไปนึกไปพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไปจิตก็จะเริ่มยิ้มเมื่อจิตเริ่มยิ้มจิตมันก็สงบที่สงบยิ่งแตคำว่าพุทโธพุทโธพุทโธจากนั้นแล้วสงบไปเรื่อยสงบเรื่อยยิ้มไปเรื่อยๆยิ้มไปเรื่อยๆถึงแม้ว่าเขาจะไม่ว่าพุทโธเขาจะไม่กับคำว่าพุทโธเขาก็ไม่ไปไหน กิเลสมดุจจิตไปใช้งานไมนะ่ได้กิตจึงสุกระงับจากกิเลสจิตสนุกระงับจากกิเลสแต่ตัวอนุสัยของกิเลส ย, ยังมีหัวใจเจ็บแปรอยู่ดูในอนุสัยของเราเจ็บแปรกิเลสสามารถระงับได้ด้วยรัสามารถชะลอได้ด้วยสติกิเลสสามารถระงับได้ด้วยสติหรือตั้งา สามารถชะลอได้ด้วยสติชะลอได้ด้วยความสุบแต่เราสามารถจะตัดกระแสแห่งปัญหาเหล่านี้ขาดได้เราจะต้องตัดให้ขาดได้ด้วยปัญญาเรื่องํานาจของปัญญานั้นสามารถเอาไปชำระชักล้างความหลงของจิตของเราจิตของเราหลงถ้าหากเราตั้งใจภาวนาเราจะรู้ว่าจิตของเราหลงเช่นอย่าเราตั้งใจภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธ มันเหมือนมีอะไรมาวางแทอ้าไปแล้วถ่าทิพไปเรื่องโน้แล้วโถโถโถดึงเข้ามาดึงมาแท็บไปเรื่องนั้นอีกแล้วช่วงระหว่างมันไปแท็บเดียวเหมือนกับเส้นผมปังบางตาแท็บเดียวมันไปช่วงนี้แหละนความหลงมันละเอียดไม่แม่เดียวเราดูเราดูเข้าไปนี่แหละคืออวิชชาอวิชชาคือความไม่รู้ความรู้เท่าชันคือโบหั ในขณะที่เราปฏิบัติมานอพอสติของเรามื่อ่อนสติของเรามื่อก่อนปล่าเนี่ยกิเลสมันมีกำลังมากกว่ามันก็มาแทรกเข้าไปแลพอสติมันนอนกิเลสมันกาลังมากกว่ามันก็แทรกเข้าไปแล้วจิตจึงไม่ได้รับฝากสงบจิตสงบก็คื อ, คอจิตไม่ไม่ไม่คิดสิ่งเหล่านั้นจิตเป็นตัวของตัวจิตเป็นตัวของตัวนั้น จ, จ, จิตมีความสุขจิตมีาลังจิตมีความมิเฉาศักดิ์สิทธ แค่จิตของเราได้ความสงบเราจะมีความสุขจากนั้นเราเอาพลังของความสงบองมาพิจารณาอันนาจปัญญาการพิจารณาคือเอามาพิจารณาคลี่คลายโดยทําไมเราจึงต้องพิจารณาคลี่คลายถ้าเราไม่พิจารณาคลี่ลายก็จะทําให้เราหลงงยึดกายของเราหลงยึดจิตของเราหลงยึดทุกสิ่งทุกอย่างตามจิตเรามันยึดอย่างจิตมันพายึดกิตเรามันพายุท่านที่ให้เรา ความสุกของจิตแหละที่จะลาจากด้านปัญญาความสุกของจิตมันเป็นการไวต่อหลักสัจธรรมสัจธรรมอย่างยาพื้นๆจะปรากฏขึ้นที่จิตในขณะจิต ท, ที่จิตได้รับความสงบอย่งางน้อยเราก็รู้ว่าเออกายเป็นกายจิตเป็นจิตมีความสงบมีความสำคัญอย่างนี้สำคัญมากส่กีรยวก 你話：我原來今日嘅煩惱平靜落咗，心平靜嘅時候咧，其實佢嘅煩惱唔可以平靜。當我哋又特別去講去打造嘅時候，係好清醒、好清楚咧，亦想去做不放過，你嘅煩惱就冇機會。 连下连下，一下水就變咗，啲字就變咗。所以拉開嚟之後，再連下連下，唔錯唔錯。之後又多咗嘅地方，已經控制唔到。呢個就代表呢 個, 個心裏咧，呢個愚痴，愚痴就係無明，就係唔知道點解咁樣。呢個心。 ผลสูงสุดยังไม่ได้ผลเบื้องต่มพื้นพื้นธรรมดาก็จะทำให้เราเหมือนกับลอยถูกได้สัรงรวมพ ร, ระมรรวางไปในขณะเดโยกันจะทำให้ชีวิตของเราอยู่เย็นเป็นสุดอย่างไม่น้อยถ้าหากเราไม่ตั้งแจรักษาศรรีลศีลมีอริสส์ศีลช่วยอบรมสมาธิสมาธิที่ช่วยอบรปัญญา มีความเกี่ยวข้อ ง, งกับการเมื่อเราพยารักษาสิลงีนะครัโอกา ส, ามสมาที่เราจะทำสมาธิจะทำสมาธิใเกิดก็ไม่มีอะไรจะมาเป็นเหยือให้จิตของเรากังวลจิตพร้อมจะได้รับความสงบเยือเยยกเย็นอย่างรวดเร็ว เ, เมื่อจิตเรามีความสงบจิตเรามีพลังเราก็พิจารณาหน้าปัญญาหลงตาสนสอนให้พิจารณาในขณะที่จิตของเรายินจากความสงบเมื่อตื่นจากความสงบขึ้นมาแล้วให้พิจรารณาเมื่อพิจรารณา มีความสงบเต็มที่ขยับตัวออกมาให้พิจารณาหน้าคัญญาให้เราตั้งใจปฏิบัติธรรมะเรื่องสูงอย่อยางนี้ธรรมะเรื่องต่ำพื้นๆื้ในความเป็นูของเราก็จะปลอยได้รับความเยื่อเยินไปตามต่างกันเพราะคุณสมบัติของจิตของเราเกิดขึ้นจากการที่เราประคับประคองเอาสติมากัากับมานูแลจิตของเราตลอจดจิตจึงเป็นสิ่งที่ แสดงทุกสิ่งทุกอย่างให้ปรากฏในชีวิตจิตใจของเราเพราะฉะนั้นคือสิ่งเดียวที่เราควรรักษาเดูแลรประคับประกองให้ดีถ้าเราประคัประคองไม่ดีรักษาไม่ดีสิ่งนี้จะกลายเป็นพิพยเป็นภัยให้กับเราเระหวังความสุขความเจริญมั่งเท่าไหรโอกาสที่จะประสบความสุขความเจริญหวังได้ายากแต่ถ้าเรารู้วิธีการรู้นแนวนทางทุกสิ่งทุ การี่พุทธยาทั้งส ว, วามไวแล้วเราตั้งใจดาเนินไปตามนั้นการทำาหากินของเร า, เ พ, ราพอเป็นพอไปแต่เราให้โอกาสในการตั้งใจรักษาศีลในการตั้งใจเจริญสมาธิเจริญัญญาชีวิตชาวพุทธของเราจะไม่เป็นมันการระลึกน้อมนึกเ อ, อ, อาถพุทธิยถาประทานประสงค์มากระตับแรงหนุนใจของเราก็าจะมีผล ม, มีสงคุ้มค่า มีโอกาสให้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้ามีโอกาสได้ประพฤติปฏิบัติตามธรรของพระพุทธเจ้าเมื่อเราตั้งใจปะพฤติปฏิบัติได้มากเท่าไร่น้อยเท่าไรก็ย่อมมีผลตามมาไม่มีแหลที่ทําไปแล้วไม่มีผลอะไรตอบแทนเมื่อเราตั้งใจลงทําเพศไปแล้วผลอย่างไรย่งงหนึต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราตั้งใจให้กิตได้รับความสมบจิตเราจะต้องได้รับความสมงบ เราพิจารณาภายในความลมในหัวใจของเราก็ต้องได้รู้ได้เข้าใจรู้เห็นเหตุเห็นปัจจัยรู้เท่าทันคนวายวายยาของกิเลสอย่างแน่นอนไม่ต้องสงสัยอันนี้เป็นหลักเป็นหลักใหญ่ใจความที่เราเอามาเรียมากระสุนเป็นาวันนี้โอกาสต่อไปเราก็ทำมาเป็นประจำโดยเฉาะตรงนี้อาจารย์ชวน ผนเด่น <c oughs> ท่านก็าพาพวกเรารักษาศีลถ้าพเราภาวนามาเป็นประจาใครตั้งใจปฏิบัติมีผลต่ำ้าอมอในหนวนใจมากน้อยอย่างไรเทียงไรและการที่พูดคุยหลักธรรมะเื่อให้เราได้ิได้ฟังเรามีความเข้าใจมากน้อยหรือมีความคล่องคล่องพาง ข้องใจตรงไหนเราควรจะมาใช้วิธีธรรมสาดาตัดฉาคือสอบถามไตสวนซึ่งกันกันก็จะเป็ประโยชน์แก่เราจะประโยชน์แก่ท่านอย่างแน่นอนอตอนนี้ให้ใคร่ควรให้ดีแล้วก็ข้องใจตรงไหนเราคิดกันได้สิ่งว่าทนที่คุณสอกขอกก็คือเรื่องของ ส, องสองูตรเ ห, หลืหลหลหหอบางประการ 如果如果用呢個老師指教，將呢個整整個文章平靜之後，再去思考、發、培養我哋智慧。如果我哋跟住呢個方法去做嘅話咧，呢個態就會慢緩，就會減少。做少所做咗幾多，咁呢所做。 สิ่งนั้นสิ่งนี้ต้องไดต้งถึงไปอราในใจเรตองมี ตั้งใจฟังหวมั้ตั้งใจฟังไหมใจสงบไหมฟเ ครว่าภาพปฏิบัติก็คือคนที่มันเกิดขึ้นในใจจากการที่เราตั้งใจทําผลจะมันเกิดขึ้นมันจะเกิดขึ้นสดๆร้อนๆ ม, นอมันจะแตกต่างกันขณะฟังภาษาไทยด้วยกันเนี่ยยังมีเข้าใจแล้วก็ไม่เข้าใจสำหรับผู้ที่ตั้งใจทรมานาฟังธรรมะของท่านจนเป็นความเข้าใจจะมีความเข้าใจแล้วจิตมันจะกอะในธรรมะของท่าน คำทุกประโยชน์ทุกถ้อยทุกคําที่ท่านพูดออกมาเป็นธรรท่นั้นกินมันจะกรอกกรอกกอกกรอกกอกกรอกท่านพูดถึงการพิจารณาในน้งกายใจมันก็มากรอกที่รังกายพิจารณาสุขภาสุขภัณฑ์ใจก็มากรอกห้เป็นอสุภาพสุขังในขณะเดียวกันแต่สำหรับผู้ที่ยังไม่เป็นยังไม่ได้ตั้งใจสุบบนโรมานะสร้างไปก็ไม่พอใจการตั้งใจสรางเนี่ย เราจะเข้าใจก็ตามให้เข้าใจก็ตามครูบาอาจารย์ท่านให้ฟังให้กำหนดอยู่กับตัวไม่จำเป็นจะต้องไม่จำเป็น จ, จะต้องจำไม่จำเป็นจะต้องจำบางอย่างเข้าใจก็ตามไม่เข้าใจก็ตามขอให้ตั้งใจฟังให้อยู่กับเนื้อกับตัวมันจะมีเนื้อหาป้องขัดธรรมปกค้างอยู่ในใหัวใจของเราการฟังธรรมะนี่มันเป็นศิลปะชั้นเยี่ยมเหมือนกันนะ นะการฟังธรรมะเนี่ยคนที่จะเข้าใจได้ละเอเียดและอ่จริงๆก็จะต้องเป็นคนฉลาดจะต้องเป็นคนมีประสบการณ์เคยได้ยินได้ฟังแม้แต่สิ่งที่เคยได้ยินได้ฟังแล้วเนี่ยเรายิ่งฟังไปมากเท่าไหร่เนื้อหาสําอัดคำมันก็ยิ่งแจ่มแจ้งชัดเจนเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเช่นอย่างวารังนี้รอบนี้เราฟังไปแล้ว เรามีความเข้าใจแค่นี้เราฟังรอบนั้นอีกเมื่ออยากที่จะฟังเรื่องนรื่องต่างๆเอามาเปิดฟังเพราะเราฟังอีกรอบแม้แต่ความหมายของของธรรมะข้อเดียวกันเนี่ยพราะเราฟังอีกมันจะทำให้เราเกิดความเข้าใจเพิ่มขึ้ น, นอีกเพิ่มขึ้นอีกเพิ่มขึ้นอีกกินของเราเริ่มซาบซึ่งกอบอยู่ในนั้นเช่นอย่างท่านพูดไปทั้งหมดกินของเราอาจจะไปกอบักหประโยคหรือ10ประโยคนี พอพูดไปเรื่อยๆก็สิบยี่สิบสามสิบนํามาเข้าเกาะทุกคําพูดเลยเนื้อหาของอักธรรมมันแจม่มแจม้งในใจของเราทุกประโยคทุกคำพูดเนี่ยเพราะฉะนั้กนการฟังธรรมะเป็นศิลปะชันเยี่ยมเอนกันขึ้นอยู่กับสติขึ้นอยู่กับปัญญาของเราสติกับปัญญาก็คือขึ้นอยู่กับบุญญาบา ร, รมีอินทรีย์ของเราเช่นเดียวกัน ท, รรทําไมปัญญวัตถีจังห้าจิตไม่บรรลุธรรมร่วมกัน เนื่องจากอิทริศีลไม่เท่ากันอิทริศีลไม่เท่ากันนั่นคือบุญไม่เท่ากันคุณสมบัติของกิตดีไม่เท่ากันต้องซ้ําแล้วซ้ําอีกใช่ไหมห้าองค์ได้มนุษย์เป็นพโสดาบันวันละองวันลองควันลสี่วั น, วนห้าวันได้เป็นพระโสดาบันทั้งหมดเราเห็นว่าวันที่หพระพุทธเจ้าท่านทรงแสดงอนัอนตตลกณัสสุกพอแสดงจบปับ๊บ แปลว่ามันมีพื้นฐานเท่ากันอยู่แล้วเนพะอแสดงว่านักจารย์ลัคนาสูงจบภาพปัญจวัคคีย์นะฮะใต้เป็นพระอาหารทั้งหมดนี่คือศิละปะการฝึกครั้งแรกพระอันยปุถัญญะรู้า จ, จาบุตรที่จะแค่ตรงเดียมะระดับเด่นเห็นไหมเพราะอะไรมันขึ้นขึ้นอยู่กับเพลกับปัจจัยหลายอย่างตรงนี้เราก็ไม่สงสัยหรอกเพราะว่า พวกเรามาเกี่ยวข้องกับครูบาอาจารย์ล่อยครั้งอย่างเมื่อวานเราไปพูด้ธรรมะที่ปี่นังตรงนั้นเนี่ยเป็นเป็นวัดที่ไม่ค่อยจะมีครูบาอาจารย์เท่าไหร่ครูบาอาจารย์ก็ห่างไปบ้างไม่ไปบ้างเขาก็ไปดำเนินตามความนิยมของเขาบ้างก็ไปตั้งใจฟังธรรมบ้างแล้วก็มีความสงสัย หลายประเด็นพูดคุยกันสนทนาหมดเวลาในสามทุ่มสี่ทุ่มครึ่งเมื่อวา4สี่ทุ่มครึ่งที่วันนี้เราพูดธรรมะไปเป็นเป็นชั่วโมงแต่ก็มันเป็นเหตุให้กระต้นกระเทนในใจของเราถ้าหากเราฟังเนื้อหาถัดตามที่เราฟังเข้าใจก็เป็นเหตุประเทืองปัญญาของเราไป แต่ถ้าเตั้งใจฟังให้ใจเราได้รับความสงบเราไม่ต้องสนใจกับเสียงเราสนใจกับพุทโธในใจของเราเริ่มตั้งใจฟังครับจับพุทโธในใจของเราเลยพุทโธพุทโธพุทโธหนักหนัเข้ามันไม่สนใจกับคำพูดไม่สนใจกับคำเทศมันสนใจกับคําว่าพุทโธในใจของเราพอท่านบุญเทศจิ่งเราก็สงบมาไม่รู้สักกี่ระยะแล้ว บางทีชั่วโมงชั่วโมงกว่า ừ, ฟังฟังแบบนี้เป็นฝั่งเป็นฝั่ ง, งการฟังฟังภาปฏิบัติได้ผลมากกว่าเราไปทําโดยลำพั ง, ต, งต้องตามนั้นว่าได้ผลมากกว่าเราไปทําโดยลําพัง ท, ทําไมถึงได้ผลมากกว่าเพราะเราฟังสดๆร้อนๆจากที่ท่านเทศนเราฟังจิตใจมันจะมีความร้องด้วยมีความยังเตรงด้วย มันมีความอยากได้อยางมีอยามีอยากเป็นด้วยก็เลยจะเรี๋ยนให้ตั้งตั้งใจเมื่อเราตั้งัตั้งใจทาสร้างเดี๋ยวลงไปผลทั้งหลังที่บ่ยอก็ยอมเกิดขึ้นเป็นธรรมดาเราไม่ต้องสงสัยแี่จนเรือทั้งหลายทนท่ชอบบอกว่าเนี่ยจริงๆเอ่อทา 當年佢跟住呢個心靈派嘅大師傅胡班心靈師傅咧，咁家下佢話佢聽開咗，所以 อย่างน้อยก็สิบหกสิบบาทคือมีดูการการส่งเงินสดสูไม่มท ไม่ให้เขาสุหรี่กลาไม่ให้โกหกหรือหลควาไม่ดีไม่ เราจะต้องเกิดเราจะต้องตายเราจะต้องมีโยมธาตจากการได้สันบคุณ จีตที่เป็นสมาธิหรือได้รับความสงบแล้วให้ทำอ่างนั้นเวลา a uh mamãe. -huh. ผมก็ยังยัง 當時呢個時間係最好嘅時間，你當 Buddha. Mm -hmm. การที่อยู่กนเนี่ยพวกที่อยู่ก็ต้องดีก่นเราให้พรจะได้รับพรหน้าสงพรยนาวาปุริกุเรติสาภางเอวเน่ยโตทินาเปตานังปกักติจิตตังปิตังตุหังอิมเมวสรมิ สามเอ